ท่านดูอ่านแล้วก็รู้ความกัน 2533 แล้วก็สําหรับการวันนี้ก็ เรื่องนี้โถทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าลืมถือตำรามาถ้าคืนพูดไปมันก็หยุดผิดก็เป็นว่ามาคุยเรื่องอีกครั้งกันก่อนในวันก่อนมาพูดทิ้งไว้ <c oughs> ว่าไม่ใช่ใช้เวลาไปนั่งสมาธิให้ใครเห็น โปรดเป็นของดีไม่ใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าการปฏิบัติในวัดถือว่าเป็นสภาพปกติธรรมดาธรรมดาไม่ผิดแปลกกลับมา แต่ต่อบางก็เป็นสีฝุ่นบ่พุ่นจับๆมัน กรองความว่าไม่ถือว่าใครผิดไม่ถือว่าคนห่มผ้าสีเหลืองผิดคนห่มผ้าสีกะคนห่มผ้าสีเหลืองถูกคนห่มผ้าห่มผลผ้าสีเหลืองสีกะก็ถูกก็ให้มันเหมือนกัน ถ้าสีใจของใครใสเป็นเพชรนั่นน่ะดีที่สุดเป็นเพชรชั้น 1 ที่ไม่มีไม่ เวลานี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอะไรก็ไม่ทราบเพราะไม่รู้วันนั้นวัดอะไรก็ไม่ทราบ เดินทางเข้าผ่านประตูน้ําบายิหลผลพอจากประตูน้ําบายิหลผลก็วิ่งไปทางบังใหญ่เลยบังใหญ่ไปแล้วเรือเรือก็วิ่ง พอถึงเวลาตอนเย็นปรากฏว่าหลวงพ่อหนองท่านเดินลงมารับหลวงพ่อปานที่หน้าสะพานต่างองค์ต่างกรรมสมาคมต่างองค์ต่างไหว้ต่าง <c oughs> กัณนาที่ท่านพักอยู่ในห้องปลาย ทำว่าเกต hàngว่าในอะไรบอกธร้รม아아ขอได้เลย ขอทวาย clinicians arr pig a do what they may find. ว Kelsey and 36 rapid 5 2022 AUT 3 คนก็ chutfic Bismillah et achit plb พี่ฮ่odorให้พ vịพ Lightning Railway, P th'5 had beenooped to twenty years after a month or two. eramแอบball fi Seleat แอบบทวิพitel rejections in that pass with board of them, but it was a justification of each step. 있지만ว่าขอโดยจะ sẽ Drum At Scripture look at the start, พวกกราบเยี่ยนตรงเป็นอะไรบอกธิ म seguro. ท่านยิ้มก็บอกว่าไม่เขาฝึกจากคนอื่นบ้างหรอก แต่แต่ผมเกิดมานี่เพิ่งเรียนลูกศิษย์อาจารย์ปาน <c oughs> แต่ว่าเจ้าตัวเองยังไม่ทราบคําว่าดียังไม่ทราบคําๆยังมีไม่จริงๆที่มีไม่ถึงนั้นมีเธอมมี ประกอบเรียนท่านบอกว่าอจิรังเออนี่เป็นคาถา เราไม่ต้องมองหน้าก่อนมีพระ 2 องค์ใช่มั้ยล่ะก่อนที่จะกลับน่ะท่านได้สอนว่าอจิรังอัตตยังกายโยกับอนิจจา แต่ว่าคิดไกลเกินไปเอานี้ดีกว่าลองถามกันจริงๆสิไอ้เค้าเจอที่ชาวบ้านเค้าดีหรือไม่ดีอ่ะทิ้งเค้าปล่อยของเค้าเวลานี้ถือจะพระมั้ยก็ตอบท่านบอกจะพระทุก ถ้าแนะนําได้ยังไงแนะนําทําตังค์เปล่าทําตังค์ก็รับท่านถามว่าถ้าอย่างนี้ทําไมจึงถือว่าเลวพระกล่าวเรียนแล้วบอกว่ามันยังดีไม่พอถ้าสิพระท่านสอนนี่ก็รับถ้าสอยังทําอย่างนี้ก็ทําแต่ผลทางด้านจิตใจมันดีไม่พอท่านก็ยอมรับ พระ 2 องค์นี้เดินทางกันคนละทาง เมื่อเธอปรารถนาพุทธภูมิก็ทำอารมณ์เปรียบเทียบ <c oughs> คุณเพิ่นหนองท่านบอกว่าเอ้อนี่ดีมากดีมากอย่าง แต่ก็ฉันก็คิดว่ายังดีกว่าคนที่เค้าว่าดีตั้งเยอะแยะตั้งหลายคน อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปวิสัยเรื่องอารธมรรคกับตะหนุนได้คือเป็นพื้นฐานขึ้นไปแต่มัน <c oughs> มามาอะไรได้เลยและฉันจะ <c oughs> ความเป็นมาจริงๆของพระหลวงเป็นพระที่ไม่เคยศึกษาธรรมวินัยมาก่อนฟังแล้วก็จะตกใจว่า <c oughs> ไม่แน่ใจคือแล้ว 9 ประโยคเป็นเจ้าขุนด้วยเมื่อท่านบวชพระเสร็จอยู่ไม่ แล้วก็เป็นเจ้าคุณด้วยตัดกิเลสหมดมั้ยครับ แล้วท่านก็มาบอกว่าเห็นเมื่อไหร่ครับเห็นมีโต๊ะ <c oughs> ตนเองถือฉันยังถือว่าของเท่าไหร่เท่านี้มันเป็นของฉันแสดงว่าฉันได้บรรลุ 9 โกรธจริงเป็นเยคุณก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นพระอรหันต์กิเลสไม่หมดหลวงพ่อ วันรุ่งขึ้นถึงก็เดินทางกลับมีตําบลวัดที่ท่านได้อธิบายเยอะๆนะแล้วท่านก็ชี้ไปที่พระโมสตท่านบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นดงไผ่เวลากลางวันฉันก็อยู่ร่วมกับพระธรรมดาธรรมดา ยวดนี้มีการเจริญกรรมฐานฉันคนเดียวแล้วผลที่ได้รับจาก <c oughs> แหมเบลเองกับหลวงพ่อเนียมหลวงเนียมยืนยันบอกว่าการเดินเวทกรรมฐานกับท่านถึงที่สุดแน่ฉันก็มาเลือกชัยภูมิในที่ตรงนี้เวลาหน้าแล้งจากดิน อยู่ใน 2 หรือยังไม่ 2 ท่านนั่งกำหนดไปตรงกลางๆมรรค ของร่างกายของทรัพย์สินแล้วก็ต่อจากนั้นไปก็ต้องกําหนด <c oughs> ฉันนั่งกรรมฐานมีพระสวยมีพระสงฆ์รูปร่างหน้าตา เมรเสี่ยมออกจากมีพระอโมสถท่านก็กราบเรียนพระว่ากับผมเป็นท่านหนุ่มขอรับบท 2 บรรษาเกรงว่า ถ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนท่านบอกว่าไม่เป็นไรพอยามนี้ก็แล้วกันในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจะไปเป็นพระพระภิกขุกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มา แต่ละคนจะต่างคนต่างศาสธรรม แต่เมื่อพอประกาศไปทั้งคนนี้ก็รับประสาคนนี้ก็รับสรรค์ว่าอย่าตัดไม้คนนี้จะขุดดินไม่ทําอิดจะหาทรายหาแกรดต่างคนต่างทํากันจนเสร็จเมื่อทําอิดทําทรายเสร็จดีแล้วแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกัน <c oughs> เมื่อบวชเสร็จเนี่ยเมื่อบวชเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพระประธานยังไม่มีก็ก็คิดว่าจะปั้นพระประธานแต่ แท่งที่จะปั้นพระประธานน่ะมี ตอนนั้นแกเดินออกคนนี้ข้าวมา 1 ขันธ์นุ่งเข่าขาวผมขาวนั่ง ให้ไปในลักษณะตกลงเสียงตัวออกโทดงเดินตัดทุ่งๆ อุบราหน้าตาโสทรงดีผงขาวผิวผิวเนื้อขาวหนัง เงียบเพราะว่าอาตมาอยากจะ เมื่อเดินธรรมมาระหว่างทางก็นึกขึ้นมาในใจได้ว่าเอ๊ะเราก็ลืมบอกตำบลที่อยู่ของโยมไปแล้วไม่ถูกก็ไม่ก็ใกล้วัดเต็มทีแล้วก็เข้าวัดก่อนพอเข้าวัดปรากฏว่าตอน ไม่กี่วันนักทําพระประทาน พอไปถึงเจ้าบ้านก็มาทําบุญก็ <c oughs> ประวัติว่าท่านไม่เคยเรียนแม้แต่นักธรรมตรี ก็ไม่ถามพระหนองท่านว่าเวลาเทศน์ทั้งพระเทศน์เรื่องอะไรบ้างครับท่านบอกว่าสุดแล้วแต่พระท่านถ้าเวลาใครไปนิมนต์ว่าจะถามพระก่อนพระจะให้ไปหรือไม่ให้ไปถ้าพระให้ไปก็จะ <c oughs> รวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําขึ้นอาศัยพระอย่างเดียวท่านต้องถามพระก่อนนะพระไม่อนุญาตท่านจะไม่ทําเด็ดขาดก็เลยถามว่าหลวงพ่อขอรับคําว่าพระหมายถึงองค์ เวลานี้แม้นก็มีดาถ้าอาจารย์ปานกับ เขาจะไปโชว์เขาจะไปโอตที่ไหนก็ไม่ทราบทําแล้ว องค์พระท่านแนะนําว่าให้ทําอะไรก็ทําทํานั้นทั้งทั้งที่ไม่มีสตางค์ก็ทําเพราะท่านยืนยันว่าท่านจะหาสตางค์ให้ใน แม้แต่แบบแผนต่างๆก็ไม่มีนักกิตติกรต่างๆอะไรอะไรวิศวะอะไรอะไร ik heb een beetje een boodschap, een negatieve boodschap, een boodschap, een